ถ้าความสกปรกมีในกายก็จะปฏิเสธความอาบหน้ามไม่ได้ถ้าจิตใจมีโลคโกวดหลงจรงิงการบรรเทาก็ปฏิเสธไม่ได้พัฒนาเด็กกิเลสไม่พัฒนาธรรมะมันก็ไม่ถูกพระสมัยท่านพระเจ้าประสบการณ์มาแล้วมนุษย์ก็ประสบการณ์มาแล้วสวรรค์ก็ประสบการณ์มาแล้วเทวโลกพุทโลกประสบการณ์มาแล้ว สิ่งไหนที่มันดีจึงได้อามาสั่งสอนพวกเราให้ปฏิบัติตามสิ่งไหนชั่วก็มาสั่งสอนให้เว้นแล้วทำดีตอนไหนความชั่วตอนนั่นมันก็หายไปแล้วทำชั่วตอนไหนความดีตอนนั่นก็หายไปความดีตอนนั่นก็เกิดขึ้นไม่ได้ทำดีบ่อยก็ไปบวกไกลบ่อยทำชั่วบ่อยก็ไปบวกไกลบ่อย ผลของความดีก็คือเป็นที่สบายใจผลของความชัว่วก็คือเป็นที่ไม่สบายใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำดีให <enders> ้เกิดขึ้นนอกจากใจก็ไ <t> ม <diffusion> ่ม <sır> ีอะไรจะทำชั่วให้เกิดขึ้นใจเท่านั้นมันพูดทำดีทำชั่วให้เกิดขึ้นเพราะเป็นหัวหน้าเขาใจทำไมจึงเมามากทำไมจึงนึกมากมันนึกหาความสุขของมันเมื่อไม่ได้นึกเมื่อไม่ได้ความสุขมันก็นึกไปนึกไปนึกไปหรือเป็นธรรมดาของมัน แต่ขาให้เป็นธรรมดาที่มีประโยชน์หลังสำหรับนอนแต่ขวากเงาก็ไม่นอนตาสำหรับดูสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ดูหูสำหรับฟังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ข้ามฟังจมูกสำหรับดมปิ่นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ดมริ้นสำหรับริ่มรถสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ริมรถโพธะพะสำหรับต้องกาย สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ต้องทำมาลมเป็นเหตุให ki no ้จิตใจนักคิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่นึกคิดนอกจากกจไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของใจนอกจากกจเข้ามามีอะไรจะเบียดเบียนใจใจเท่านั้นเบียดเบียนใจใจเท่านั้นทำดีให้ใจคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงมาที่นี่ยงทาจิตให้บันเทิงในการละชั่วทาดีเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จงเป็ผู้ใจถึงในทางทำดีถืออย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วจงเป็ผู้มีอิสระในทางทำดีถืออย่ามีอิสระในทางทำชั่วน้อยก็าตามมากก็าตามพยายามความสำเร็จเกิดกับความพยายามวิเยทุกขมัตเจติคนล่วงทุกทุกได้เพราะความเพียรคนเราก็ผิดทุกคนคน ทำถูกก็มาจากคนผิดนั่นเองคนทำผิดก็มาจากคนถูกนั่นเองเพราะบรมัาสัาตระก็มาจากพุทธชนคนหนาหนนั่นเองผู้ทำดีก็มาจากคนทำชั่วนั่นเองผู้ทำชั่วก็มาจากทำดีนั่นเองทำดีก็เป็นที่พึ่งของใจอันสบายทำชั่วก็เป็นที่พึ่งของใจอันไม่สะดวกสิ่งไหนที่ทำลงไปแล้วเดือดร้อนสิ่งไหนที่ทำด้วยกายวาจายใจลงไปแล้วมันเดือดร้อนสิ่งนั้นอย่าไปทำอีกเชื่องทดสอบ สิ่งนั้นจะทําด้วยกายวาจาใจแล้วไม่เดือดร้อนสิ่งนั้นจงทํำถือเป็นเครื่องทดสอบเถ้ากรรมและผลของกรรมยังมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันคดีดําคดีแดงในโรงในาศาลมันจบกเกษียณเป็นกรรมและผลของกรรมที่ทําแล้วจบกเกษียณไปเป็นนึกมาเวลาใดก็เดือดร้อนสิ่งนั้นที่เราทําไม่ดีสิ่งนั้นที่เราทํดทาทดีนึกมาทเวลาไหนก็เย็นสบาย จงทำดีให้ฉลองกับดีทำดีในเวลาไหนมันก็ฉลองดีในเวลานั้นทำชั่วในเวลาไหนมันก็ฉลองชั่วในเวลาทำดีในเวลาไหนก็ไปฉลองใจดีในเวลานั้นทำชั่วในเวลาไหนก็ไปฉลองชั่วในเวลาความอดทนเป็นเครื่องประดับของหน้าป่ามีอดทนในทางที่ดีอดทนในทางที่ชอบเพียในทางที่ดีวายเมเถวปุริสู เป็นชายก็ดีเป็นหญิงก็ดีจงมีความภาคเพียรร่าไปผลทั้งให้เป็นเข็มก็ถือว่าเป็นของเล็กน้อยคนเราสามารถทุกๆ ท, ท่านใจถึงทุกๆ ท, ท่านขอให้ใจถึงในการละชั่วทําดีเถิดจะเป็นที่พึ่งแรเราใหญ่โตโหดานก็มาจากเด็กผู้ที่ใจสูงก็มาจากทําดีนั่นเองผู้ที่ใจต่ําก็มาจากทาชั่วนั่นเอง สูงต่ำรุ่องอนอันอื่นไม่เป็นปัญหาใจต่ำใจสูงเป็นของเป็นปัญหาพราะพระเจ้าเป็นเจ้าพ่อผู้ทำดีก็เป็นเจ้าพ่อทางทำดีผู้ทำชั่วก็เป็นเจ้าพ่อทางทำชั่วใช่ไหมเจ้าแม่ก็เหมือนกันใช่ไหมเอ่ยเอ้าผู้ที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบเขาจเจริญไหมถ้าเราไม่เชื่อกำลังคนมา ก, กมเขาก็ไปไม่ได้ใช่ไม่ไปไม่รอบเหมือนกัน พูกเขาทำไม่ดีทำไมเขาได้ดีแต่เราไม่ทันได้สังเกตเขาเขาจะไปได้สักเพียงไหนแต่ก็ไปไม่ไว้เหมือนกันเดี๋ยวก็ให้ผลเหมือนกันเวลาเรากินยาพิษเครือบน้ำตาลยาพิษมันยังไม่ได้ออกเมื่อยาพิษออกมันก็ไม่ไม่มียาแก้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 ต้องหยุดสัจะชนะเลขด้วยความไม่เล่นเลขอจะชนะความผิดด้วยความไม่ทําผิดถ้าคุณหยุดเลขคุณมีเงินถึงล้านถึงขนาดนั้นถ้าคุณหยุดแล้วถ้าคุณไม่เล่นไงระหว่างห้าหกปีนี่ถ้าคุณไม่มีเงินใช่ละหลวงปู่จะอ้าปากะว่าถ่ายอุจจาระมาสายแสนั้นหลวงปู่จะเข้าข้างพระพุทธศาสนา เป็นพยานพรพ บ, พบรมศาสดาโอ้ถ้าพูดอย่างนั้นกับผมก็หยุดสมหมายอะสมหมายเราเอ็ดหยุดแล้วีวนี้ได้โลงสีสองโลงเห็นกระจกแก่ตาหนะแต่ความมีโลงเดียวเดี๋ยวนี้ได้สองโลงแล้วนนีนผู้เล่นการพ น, นันไม่ใช่ผู้ถึงทำเนอ้อถ้าเป็นพระก็ไม่ถึงทำเนอ้อ ถ้าเป็นโยม ก, ก็ไม่ถึงทำเนอถึงจะปากะแต่ใจไม่ถึงเออรถคันไหนที่ได้มาด้วยอบายามุกไม่มีเสื้อตัวไหนได้มาด้วยอบายามุกไม่มีอบายามุกเกี่งควกว้างนะนักเลงหญิงนักเลงโซลานักเลงเล่นการพนันคบคุชั่วเป็นมิตรเกี่ยงขัน้นทำงานในทางที่ชอบอบายามุกทางนั้น เลนการพนานมีโทษถกหนึ่งเมื่อชนะก่อเวรสองเมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปสามทรัพย์ย่อมสิผายสี่ไม่มีใครเชื่อถือสายธรรมห้าเป็นที่หมนประมาทของเพื่อนเป็นที่เป็นปินประมาทของนาาักปราชุด้กไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยแต่วพวกขี้เรศเขาก็ไปแต่งกันใช่ไหมพวกนักปราช์เขาไม่แต่งใช่ไหมเทียบกันคืนมีโทษถกชื่อว่าไม่รักษาตัวชื่อว่ารักษาลูกเมียชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ สีเป็นที่ระแวงของคนทั้งหลายห้ามักถูกใส่ความของได้ความลําบากมากเที่ยวดูการเล่นมีโทษตามวัตถุที่ไปดูหกรั้ที่ไหนก็ไปที่นั่นดีสีที่เป่าที่ไหนก็ไปที่นั่นเตะที่ไหนก็ไปที่นั่นจะเป่าที่ไหนก็ไปที่นั่นเถิดเิอที่ไหนก็ไปที่นั่นพวกคนชั่วเป็นมีดมีโทษตามบุคคลที่ข่มขวบนำให้เป็นนักเลงหญิงนำให้เป็นนักเลงสุรานำให้เป็นนักเลงเล่นการพนันนำให้เป็นคนลวงเขาเโอยของปลอมน้ำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้านำให้เป็นคนหัวไม้ เกียข้าทํางานไม่โทษหรอกมักเคยอ้างว่าหนวนักแล้วก็ไม่ทำงานงานร้อนนักแล้วก็ไม่ทำงานงานยินนักเย็นนักก็ไม่ทำงานงานหิวนักก็ไม่ทำงานงานกระหายนักก็ไม่ทำงานงานยังเช่าอยู่แล้วไม่ทำงานงานผู้หวังเจริญโดยโพระกัพย์จงเว้นเหตุเครื่องผิบหายหกเหล่านี้เสียพระบรมสารีราตน์นั่นนั่นนั่นที่ไหนไม่ได้สอนไม่มีเลยนั่นนั่นนั่นอุทธาตาวินทเตยทนังคนมันย่อมหาทรัพย์ได้ไม่ใช่มันเล่นเลขเล่นหาเล่นบัดเล่นเบอร์เล่นสาว ถูกไหมนั่นทิ้งฟืนใส่ไฟเพื่อจะเอาแลกด้นก่อนคืนมามันก็มีแต่ทีเท่าใช่ไหม <c oughs> สิ่งไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนอะ ม, มีเลยสอนวัดสอนสุดท้ายยังหนักไปกว่านี้ศีล ส, สอนละกิเลสอย่างยาบ สมาธิสอนเว่นกิเลสอย่างกลางปัญญาสอนเว่นกิเลสอย่างละเอียดสอนเป็นขั้นตอนเหมือนกันศีลกิเลสอย่างยาวธรรมะัทเรื่องชีวิตก็บอกสมาไอชีโอเรื่องชีวิตชอบเนอ้อเราเ็นธรรมาสมาธทิฏฐิให้เห็นชอบเนอ้อคือให้เห็นว่าเห็นทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกการดําเนินไปถึงความดับทุกทํกาท ก, ทการงานชอบเนอ้อ การงานชอบคืออะไรสมมากามาลโตการงานชอบเว้นจากกายโยตุชนิตสามเว้นจากข้าสัตว์รักเสพทรัพย์ประพฤติผิดในกรมเรียกว่าการงานชอบสมมาอาชีโวเรื่องชีวิตชอบเื่อนจากเรื่องชีวิตในทางที่ผิดสมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐานทั้งสี่มีการเวทนาคิดรำเป็นภัศกากรายเป็นรัศกาวิเวทนาเป็นภัศสาวิจิตเป็นภัศสาธรรมสมมาสมาธ ตั้งใจไปชอบคือเจริญชานทั้งสี่ที่ไหนแม่บอกไม่มีเลยพระบรมศาสตราบอกมดสอนมดัดพระผ่านมาแล้วยทั้งความผิดและความถูกผ่านมาเล้วยไม่มีใครผ่านเท่าพระบรมศาสตราหรอผ่านโรคผ่านทุกสารเรยแล้วทุกชาติได้อีกเียด้วยชาตินั้นเราเป็นอย่างนั้นชาตินี้เราเป็นอย่างนี้เป็นมาอย่างนั้นเราทําผิดอย่างนั้นเราทําถูกอย่างนี้จําได้มดเหตุฉะนั้นจึงทรงพระนามวโรกับโิโธ ไม่ได้สอนเข้าข้างตัวไม่ได้สอนเข้าข้างพักของตัวสอนําธรรมาทิตย์ปไตยเอาทำเป็นดิง่งเอาทำเป็นแว่นเอาทำเป็นกระจกเงาผู้เชื่อพระพุทธศาสนาเป็นผู้สร้างบา ร, รมีแก่ก้ามาแล้วผู้ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเป็นผู้สร้างบา ร, รมีอ่อนอยู่เพราะมันได้สงสัยว่าพุทธศาสนานี่ด้อยกว่าลัทธิใดๆทั้งปวงเลย มีมนุษย์สมบัติเต็มพูมีสวรรค์สมบัติเต็มพูมีพรสมบัติเต็มภูมิมีอิพธิพสมบัติเต็มภูมแล้วเป็นของเก่าเป็นของใหม่คนมาดูเวลาไหนก็เป็นของใหม่ถ้าเป็นอาหารก็บูดไม่เป็นถ้าเป็นขนทางก็รบไม่เป็นขนทางพวกเราเราบเป็นอาหารพวกเราบูดเป็นถ้าเป็นทรัพย์สมบัติก็เป็นของไม่อันตรธานไปตกน้ำก็ไม่หายตกไปก็ไม่ดับไม่ไหม้ความเชื่อเป็นของสําคัญ เชื <LEY> ่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นต้นเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าบาปมีบุญมีมรรคผลนี่ยผานมีคุณเวลาบรรดาปุญ่าตายายมีคุณของท่านผู้มีคุณมีนี่นีเรียกว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไม่ใช่เชื่อว่านอนฝันอย่างนั้นในเร่องอย่างนี้นอนฝันอย่างนี้ในเรื่ออย่างนี้อันั้นความเชื่ออันนั้นไม่ใช่เชื่อพระพุทธศาสนานะเชื่อตามกิเลสของเจ้าของ ถ้ากิเลสมีโรคโกรธหลงมีจริงๆการปฏิบัติเพื่อบรรเทากิเลสก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าร่างกายเศ้าถ้าร่างกายมันจะกระปกการอาบน้ำก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าร่างกายมีโรค ก, การรักษาโรค ก, ก็ปฏิบัติก็เว้นไม่ได้บาปมันเป็นตัวยังไงบุญมันเป็นตัวยังไงมันก็เป็นตัวเหมือนกันพวกเรานั่นเองบางคนก็บอกว่าคนตายแล้วเกิดไหมเกิดไหมหรวงปู่คนตายแล้วเกิดไหม พอมาถามก็เอาก้อนกายก้อนเกิดมาถามพูดตอบก็เอาก้อนตายก้อนเกิดไปตอบก็พี่บาปถามกันตอบใ ช, ใช่ไหม <laughs> บาปมันเป็นตัวยังไงลุงปู่ผู้ถามก็เอาก้อนบาปมาถามก้อนบุญมาถามพูดตอบก็ก้อนบาปก้อนบุญไปตอบก็พี่บาปถามกันเองชาติก่อนมีไหม วันวานมีไหมพรุ่งนี้มีไหมอันเดียวกันพรุ่งที่ก็มีวันวานก็มีแต่มันล่วงไปแล้วมีแต่บัญชีมันธรรมชั้นสูงยังมีอิกอัขโห่เนี่ยอันนี้ธรรมชั้นตะ่ำๆพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจถ้าใจถือถ้าใจไม่ถือพระพุทธศาสนาก็มาอยู่ความดีก็อยู่ที่ใจถ้าใจทำดีความชื่อก็อยู่ที่ใจถ้าใจทำชัว่ว มีตำรวจคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยสองพันห้ารอยสองพันห้าร้อยห้าาพิษยาพิษ ค, คุณจะไปไหนไปหาจับพระพระก็จับโยมก็จับจับเขาทำไมคนหนึ่งมันพูดว่ามันเป็นผู้เจ้าผู้ผมีบุญเออใครทำบุญก็เป็นเจ้าผู้มีบุญใครทาบาปก็เป็นเจ้าผู้มีบาปจะไปจับเขาทำไม แล้วพูดอย่างนี้แกก็เลยเก้าหัวที่นี้ <c oughs> ใครทำบุญก็เป็นเจ้าพูอมีบุญใครทำบาก็เป็นเจ้าพูอมีบาปใครเป็นผู้สร้างขึ้นเจ้าพูอมีบาปเจ้าพ่อมีบุญก็คือใจของแต่ละท่านแต่ละคนถามไปทํา ม, มาเลยคุณอายุเท่าไรอายุเท่านั้นแต่เนี้เออรุ่นเดียวกันกันกบเราจำ ม, ม, ม, มูลค่าของคุณตําอ่าเบืองเดียวนของคุณนี่มากไ้ยก็ไม่มากหรอกครับเจ็ดรอยบาท คุณก็แก่แล้วคงจะรุ่นราวคราวเดียวกับอาตมาคุณไม่เบื่อหรือทำไมไม่มาบวชซัเงินเดือนก็ปลอให้เขาซะแก่แล้วนี้ไปบวชซัเออผมก็ถ้าผมบวชแล้วก็มามีผู้ใดเรียกมารดาครับผมอยู่กับมารดาผมผมก็ภาวนาอยู่ทุกวันเนี่ยจาพิษ ยาพิษเนเคยเห็นยุทก็ได้ทานี่ห้าววสนังไวใมันถใจมูเจ้ามัจวงไรเดมูเจ้าสืหายวอยงไเอ้ามาึงหื่อววเน่วมือกี้าได้อยู่อย่างนีมัน่ถือความประสงค์ันเาฮะใ่กาได้ เออเอาละได้ควมได้ควมเอาละได้ทำแล้วเฮ็ดลูกระเบิดก้อนโมแมนโมนี่จักบอกเฮ็ดลูกระเบิดก้อนหมแมนโมนี้วันเถอะ <c oughs> ผลของกรรมที่ทําไม่ดีสารพัรดรัตเวียงใช่ไหมเราก็เหมือนกันท่านผู้อื่นก็เหมือนกัน <c oughs> ผลของกรรมตามสองนี่เข้าไปยิงนกผลต้องกรรมมาตามสองเขาแหละเข้าไปยิงนกแต่อรรตายุาสิบห้าปี ระเบิดึ้นนี้โรคหัวใจตีบยิ่งว่าเขาเอาผุไปยิ่งบดชีวิตกรเด็นกตัวเดียวท่านะ่ะปุ๊ขค้นนี้จัดคันนี้โอ้ยป่วยขาาท่านกบกลมสองพันหาเอยสามสิบไปโรงพยาบาลเกือบว่ท่านพระพุทธเจ้าสอนสีได้ราคะจัดราคะาจั ด, าา จ, ดจะตายด้วยน้ำท่วม โธสะจัดจะตายด้วยไฟเผามูหะจัดจะตายด้วยลมพัดพระพุทธเจ้าสอนให้สฝ่าฝนมลัลงตามและดูการพระพุทธเจ้าสอนวนะ่าคนห่างเหินจากศีลธรรมมูเฮ้ามันชั่วร้ายเลยผู้ดใดทําผิดอย่าใส่กับมันมูเฮ้ามัดของในประเทศไทยประเทศไทยเนี่เรียกว่ามูเฮ้ามูเฮ้าทาผิดนี่ถือว่า สมันสมัย้ิดมเฮ้าในขันวสมานขันวัดันนาสกันแล้วไ่ได้ศ้าโลกเข้านี่ยพันนาสกันไ่ได้หรือประเทศเขานี่ยันนาสกันไ่ได้พระโตบวดีจังไรใครสอนจะของเขาโยมโตบดีจังไรใครสอนจะของเขาเจ้าหน้าイトวดีจังไรใครสอนจะของเขาพระชาชนโตดีจังไรใสอนจะของเขาผู้ใหญ่สมฐานะผู้ใหญ่จังไรใครสอนจะของเขา ผู sabes, loser, loser, ้น <im urity ser i> ้อยผสมานาเจ้าของยังไรไงสอนเจ้าของเขาพอข้าผสมานาเจ้าของยังไรไ่สอนเขาพวกเแกน่าไนผสมานาเจ้าของยังไรไงสอนเจ้าของเขาตักเตือนตนเขาหากันยังไงที่ไปเตืนขึ้นว่าไปเจี่วสี่พื่อนนั่งสั่นพ่นนี่นี่ี่น้อยนึงพิ่มมื้อหน้าก็ไปกินเขาเมื่อก็แล้วเท่านั้นเนี่ยองสั่นก็ทระาร์่นมือหลกะแม่นว่าเขาเอาแม่นว่า กูสิมึงมึงสิกูกูเทียงมึงเที่ยงกูเทียงไปเทียงมากกัมืเวลาหาผู้ที่ทำดีกับพ่มีมีจะพูดตีกันแม่นบอวิสาตีเต็มพุ่งมานบอวิสาจะทำดีพ่มีแม่นบอกว่าจะไปเดินไปบ้านไหนก็บอว่าจะเป็นลูกศิษย์ผู้ใดได้เนี่ยจะไปหาสอนเอาคนคนได้เดี๋ยนี่แม่นบอกพระในผ้าบาตรพันษาหนึ่งสองพรนศาพุ่นอะเรน่หาเ็กับกังก็กลับป่นเจ้าของจักจำไหนวันเหรอ ให้ภาคเขาเรียนเลีเรีนพระเรีนวัดเรียนบือสารพัดกับวัตถุกันนี่ก็ได้ตั้คนต่างตีเจ้าของเขาใช่กันเอาดิ้งเป็นเครื่องตีทุกคําสอนในพุทธกาลการตั้งกฎหมายกฎหมู่กฏพักกฏพวกชาวโลกไม่มองดูคําสอนในพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดพรัะแข่งดีต่ว่าพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดทีนี้ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรร จะขอจากศาสนาไหนก็ต้องขอสาจากศาสนาพุทธสิถ้าทำดีแนละ้วทำเป็นธรรมแล้วก็ไม่ต้องข อ, อถ้าขอจะขอกับใครก็ขอความเป็นธรรมกับเรากับท่านผู้อื่นนั่นเองถ้าผู้อื่นไปพฤ่งไม่เป็นธรรมจะเอาอะไรไปขอถ้าเราไปพึ่งไม่เป็นธรรมจะเอาอะไรไปขอกับใครอีกนักหนักนัก พระบางรัฐติก็ถือบัญญัติบาปบุญคุณโทษไม่ถูกผู้ที่บัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกก็คือพระสมานพระพุทธเจา้าพระองค์เดียวเท่านั้นจําพวกเดียวเท่านั้นนอกนั้นบัญญัติบาปบุญคุณโทษไม่ถูกสิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าไม่เป็นประโยชน์ก็มีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ก็มีในพระนี้และพรหน้าฏอย่างยิ่งคือพระนิพพาน ก็มีพระพุทธศาสนาอันเดียวเท่านั้นบัญญัติบาป บ, บุญคุณโทษถูกเหตุนั้นพระพุทธเจ้าลงมาแต่ละยุคละยุคละยุคละยุคตั้งล้านพระองค์ก็มีพรบอันเดียวกันพระดีพอแล้วจึงพากันก้มกราบไหว้พระธดคำไม่ได้แแปลงเลยไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามับัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาในศึกษาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้มี มีนอะไรอภิหารยุทธธรรมเกจยาทำให้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปพระความเจริญฝ่ายดีเลือกอปภิหารยุทธธรมีเกจยาหนึ่งวันประชุมกันเนืองนิดสองว่นประชุมพร้อมเพียงการประชุมเมื่อเลือกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงด้วยกันทํากิจที่สมเจตต้องทำสามแม่บัญญัติถึงที่พระพุทธเ้ามันมันหยัขึ้นไม่ถอนถึงที่พระองค์ทรงมัญหยัดไว้แล้วสมทานศึกษาในศึกษาบทตามที่พระองค์ทรงบัญหยัดไว้นี่สําหรับสอนพระ สี่ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆารับนับถือภิกษุนั้นเชื่อฟังถ้อยคําของท่านห้าไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นหยินดีในเสนาสนะป่าเจตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้มีอยู่ในท่านผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายดีย สอนพระลึกไปกว่านี้สอนพระํำที่บรรดาลิดควรพิจารณาหนึ่งเนืองเสืบยา บรรพิตควรพิจารณาเรื่องๆว่าบัด น, นี้เราเป็เพศต่างจากพฤหัสแล้วอาการกิริยาใดนๆนของสมณะเราต้องทําอาการกิริยานั้นๆสองความเลี่ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผื่นเราควรทําตัวให้เขาเลี่ยงง่ายสามบรรชิตคึงพิจารณาเรื่องๆว่าอาการกายวายกาอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้สี่บรรชิตคตึงพิจารณาเรื่องๆว่า ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยสินได้หรือไม่ห้ามบรมพิิดพึงพิจารณาเรื่องว่าผู้รู้ใครครวนแล้วติเตียนเราได้โดยสินหรือไม่ หกวันมาชิตพึงพิจารังเมืองว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเข้าใจทั้งนั้นเก็ดวันมาชิดพึงพิจารณาเมืองว่าเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทําดีจากได้ดีเราทําชั่วจากได้ชั่วแปดวันมาชิด พ, พึงพิจารณาเมืองว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เก้าวันมาชิดพึงพิจารณงเมืองว่าคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทําให้รู้ให้เราเป็นผู้ไม่เก้อขืน เออมาใช่เก้าวันมาคิดพึงพิจารณาหนึ่งเรีงว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่สิบวันพิคถ้าิดพึงพิจารณาหนึ่งเรีงว่าคุณวิเศษของเรามาอยู่หรือไม่ที่จะทําให้เราเป็นผู้เมกเกอร์เขินในเวลาเพื่อนวันมาคิตถามในการพายหละเราอยู่ยินดีในที่คุกขีเพื่อนวันมาคิดถามเรื่องสมาธิสมาบัติก็ก็ไดสิสิหรือสิเขาพูดกันแล้วก็อ่อนภาษาเนอ ว่าะไันไหนเราก็มาพูดสิเขาก็พูดสิเขาก็พูดเหมือนกันน่ะ mm hmm. สอนคารวะสอ น, นง่ายๆให้มีศีลห้าบริบูรณ์ให้ถึงกับพุทธธรรมพระสงฆ์อย่าไปเรียกอบายยมุคสอนสอนคารวะไม่ยำบากสอนนิดเดียวให้มีศีลห้าบริบูรณ์อย่าไปล่วงอบายยมุค อย่าไปถือละที่อื่นให้ถึงว่าพุทธธรรมประสงค์จึงเจริญก้าวหน้าเพราะผู้ม่มีกิเลสพระพุทธธรรมป ร, ร, ร, ร, ร, ร, ระสงค์แท้ไม่มีกิเลสพุทธธรรมสง์ที่ไม่มีกิเลสคือยังไงบ้างคือพระสวสดาบาลสัคขาคามีนาคามีพระละหันส่วนต่ากว่านั้นลงมาก็เป็นเรื่องหนึ่งทำก็ทำพระสวัสดาบาลสัคข า, าคามีนาคามีพระละหันสงก็พระโสดาบาลสกทาคามีนาคามีพระละหัน พระคาราวนามีนิดเดียวไม่ได้สอนมากระบายมุกจุภะเพศทเทเวนแต่มันก็ตรงกันข้าถ้าเราเป็นรัฐบาลสิ่งไหนที่เกี่ยวข้องกับาบยมุขเราจะไปคว่างทิ้งลงในทะเลหมดไม่เอาไว้กฏหมายที่เกี่ยวอาบายมุขเราจะลอกล่างทิง้งหมดไม่เอาไว้ถ้าเราเป็นรัฐบาลเอาประชาชน เป็นผู้มาให้คะแนนเมื่อประชาชนมันหนักไปในทางกิเลสมันก็ออกเสียงไปทางกิเลสมันก็จับกลุ่มกันมันไม่เหมือนพระธมมารพระพุทธเจ้าใช่ไหมนะที่ห้ามว่ามาให้พระเป็นการบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนะถูกไง้มทีงงนี้สําหรับฆราวา่าก็มีหน้าที่ ด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวกีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา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 บอกทางสวรรค์ให้พระพุทธศาสนาสอนไว้แล้วคำสอนพระพุทธศาสนาเนี่ย น, ำนำั่นั่งแล้วพูดอันไหนจะไม่ให้ถือคําสอนพระพุทธศาสนาไม่ได้เพราะท่านเทศมดแล้วนับแต่นมโมเป็นต้นไปนมโมเขาพระพุทธศาสนามาสอนก่อนนมโมแปลว่าเาคารพแปลว่านอบน้อมสิ่งที่ควรนอบน้อมสิ่งที่ควรเคารพเราพูดอันไหนจะไม่ให้ถูกพระพุทธศาสนาไม่ได้ถ้าพูดเรื่องชั่ว ท่านก็บอกให้ละถ้าพูดถูกเรื่องดีท่านก็บอกให้ทําความดีคําสอนของพุทธศาสนาจะเทศอยู่วันยังค่ําก็มีแต่ความดีกับความชั่วเท่านั้นขัดกันอยู่นั้นถ้าไปถูกความชั่วเพราะท่านก็สอนให้เว้นถ้าถูกความดีท่านก็สอนให้เจริญเทศอยู่วันยังค่ำตลอดรุ่งตลอดค่ำก็มีแต่ดีกับชั่วเท่านั้นไปกัดกันอยู่นั่นถ้ามีมืดอยู่ก็ไม่ควรปฏิเสธสว่างถ้ามีเกิด อ, อยู่ก็ไม่ควรปฏิเสธตาย ถ้าเกิดตายทุกถ้าทุกมีในโลกประจาโลกอยู่ก็ไม่ควรปฏิเสธทางพ้นทุกก็ไม่ควรปฏิเสธพระนิพพานถ้าโลกโกรธหลงไม่อยู่ทำที่ชนะโรบโกรธหลงก็ไม่ควรปฏิเสธถ้าไม่เกิดแก่เก็บตายอยู่ทำอันไม่เกิดแก่เก็บตายก็ไม่ควรปฏิเสธถ้ามีชาตินี้อยู่แล้วชาติหน้าชาติอดีตก็ไม่ควรปฏิเสธถ้ามีกินอยู่ก็ไม่ควรปฏิเสธตาย ถ ta, ้ามีถ่ายอยู่ก็ไม่ควรปฏิเสธกินถ้ามีได้อยู่ก็ไม่ควรปฏิเสธเสียถ้ามีเสียก็ไม่ควรปฏิเสธได้ทําอันพ้นจากได้จากเสียก็ไม่ควรปฏิเสธอีกเหมือนกันนั่นนั่นั่นั่ถ้ามีดีใจอยู่ก็ไม่ควรปฏิเสธเสียใจทามันฝากความดีใจเสียใจไปก็ไม่ควรปฏิเสธอีกนั่นนั่นั่นั่นั่สิ่งเหล่านี้เป็นปัญญาทางอ้อมเหมือนกัน ท, ที e <AM l Hyundai> ่น <t ri oi> <Og fe> ี่ท่านพูดอะไรจะพูดอะไรก็พูดสักพูดคนเดียวมันเบื่อเดี๋ยวจะลุกขึ้นให้ผมพูดบ้างน่าสวสาเราใช่หมคือข้อต๊ะเตอะเ้าเข้าเข้าเ้าห้าขึ้นสมนำนาโตขึ้นสมนำนาผู้อื่นเข้าได้กี่มั่วประมาทพระพุทธศาสนาบัติาไปชัง ไหนมันมาได้รับความสู nah, mm งของพระพุทธศาสนาห้องกระต้นนานห้องคือกันก็ห้องกระต้นนานมู้โตขึ้นกันหนาวเราะฉะน้นว่าแบอเรื่อออกไ่ไปบดด้นรืกนะไมันมาไหนแต่เริ่องนี้อะไรแม่มาไม่ตะเวีนสนองเวียนไผ่สนองไผ่อะ้รอะไโคงมหาพระพุทธศาสนประสงค์ละมู่อ่างบอุปสรรคปัญญาวิเศษมันเป็นเหตุให้เบื่อนายอุปสรรค คันนันมีอุปสรรคหล่มักก็คาัวาหาอันทั้งที่มันถิจะเลื่อนที่สิวางเลยนพระพุทธเจ้าก็มาเกิดมากกว่าพออุปสรรคเกิดแก้เก็บตายโรกรกลงถ้ามาเกิดมาแก้มาเก็บาตายบโรมาโกรวบาหลงมันจะมีกัมังเ้าสักเช่นมีรอดแล้วก็มีเย็นแก้มีมืดแล้ว่ามีสว่างแก้ซอกหาซอกหาเคเห็นอนที่ที่ว่าคนสาเร็จทุกคนพูพนย่ามเลยจังเมาสอนโม่เหาโม่เาเป็นยุคเป็นยุคถึงย่างได้พระพุทธเจ้าเขามากกว่า ป่อยโรอสงไข่อสงไขยมากก็ไม่เห็นเลใช่ยหมท้อหมาสมมติรล่อยโกรธหมาสมมติุนท้าพระพุทธเจ้าเช่นกสร้างว่าของคนเสียรายไปไหนสกันก็เป็นทัพอันเดียวกันายกันผู้จะถือรัธิใดใดก็ตามก็ต้องด้มาจำนวนต่อคำสอนพระพุทธศาสนาเช่กรจรจึงจะสำเร็จพระสุวดามันเช่นพ่คัาสารีบุตรเป็นต้นโมกขราสารีบุตรสมัยนั้นดูสนใสนาตะบุด้ มาเรีอมสายพระพุทธศาสนาไปพบพระอัฏฐิเรียมใจพระอัฏฐิพระอัฏฐิก็เลยสอนสอนอานิจจังชิ่งได้ชิงหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรรมดาโอ้ยได้ดวงตาเห็นธรรมะนแม้เล่บมหาโมกคล่านัดกันได้เลยเยื่อไหมสั้นข้าไปพ่อถ้าอันประเสริฐที่ได้ละคะน้าเบากันเรื่อง พ่อเห็นแล้วกันโธมือนีหนาตาคือฟองใสแถวะสั่นมาแต่ใสบ่ได้ท่อมนบม่อให้กานฟังในหนะเสียววาสั่นเดี๋ยวไปพ่อพระองค์นึงวสั่นพระเทศว่าท่าทั้งหลายเกิดเจตเหตุท่านทั้งนั้นกระดับเหตุวะสั่นซึ่งใดซิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเขไม่คว่มรับชนเป็นธรรมดา เ, เข้าใจตีควอมหมพัดถึงประชวดดับอันแลยวะเลยล่าต่าสนชัยนาตบุรสนชัยนาตบุรก็เลยเพาะมี ซาวกอันละเอียด้าบกอันแหลมกมูนันมีหมูคราสาริบุตรอยู่ในมูห่าอรอยมัดขวอกอะไรเออนงูกไหมาหาเห่าพี่ข้นสลาดไปหาปลาโคดมมดซักพี่ส South, ันเรามัดขมวอกเราเยอะมากเยู่มากอะไรได้สาเร็จเป็นซาวกบังสายบังกัวเป็นพระราหันเพราะปารธนาเป็นภาษาบกบังสายบังกวมาแต่ขังพระเจ้าอโนมาสักสีขอหมูลราสาดิบุตร ตำแานมีมัดเรียบร้อยมัดพระบกออกนั้นสร้างปรีมาณจิตาสตร์จิตสงสัยก็มีมีมัดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของวราพระกวางไส้บางขวสร้างบาริมาณมาแต่ข้างพระเจ้าองค์ไหนตลอดถึงคนนั่นคนนี้มาสร้างมาเท่าไหร่อุบาสกอุบาสิกาคนนั้นสร้างมาเท่าได่เข้ามาเท่าไห้่มีมัดในศาสนาเหตุนั้นไม่จนลมเลยพในศาสนาเราจึงยอมรับนับถือ มีกบฟูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงใหญ่ลูมากบฟูงนั้นอยากจะหาหนายผุ้ของฟองกันตัวไปหาเทวดาเทวดาที่งขอนไหน้ลงไปเสียงดังสะท้านพาให้กบตื่นตกใจครบข้าตัวหนึ่งไหว้หน้ามองมาเห็นขอนไหน้ก็ดีใจว่าต้องพูดร้ายแล้วมืวอโตจับขเขาแห้งแล้วอยาให้เป็นกบเหลี่ยงง่ายยักบอกนกกระสาเสื่อมมากนะกินมือแล้วโตวสองโตขนาะดมูห้าวจะไป็กบเลี่ยงง่ายแน่นอน เขาใจปะใกล้แก่เข่อยให้สารก้เป็นใกล้แก่เขาค่อยมอเมื่อตัของจากหรอกใกล้แก่เขาค่อยเมื่อต้องเราหลายเราพวกเขาพวกคู่ก็ถึงว่าหลอกไม่นนบอก <c oughs> สู้ข้าวสารไม่ลัดเดียวเราไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเคียวไปในแปลง อ, งอื่นๆถ้าพุทธศาสนาสูรที่เข้าว่าไรสู่เรียกว่า ไ, ไ้ดอกว่ารอนบอก นี่คุยเสียไปเนีแปลงงอื่นเลยของที่ดีย่อมมีประโยชน์แกรู้จักใช้ทำมารู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ได้นี่ท่านเด็กหนุ่อยไหนรู้ว่าอุปสรรคเป็นยาวิเศษมันเป็นเหตุให้เบื่อนายอุปสรรคถ้าไม่มีอุปสรรคเลาไม่กลัวหาอันทั้งที่มันติดเจริญที่จว่าแล้วน่ะเพราะพระพุทธเจ้ามาเกิดมากกว่าพออุปสรรคเกิดแก้เกลี้ยก่าโกรธลง ถ้ามาเกิดบาแกบาเกีบวมาตายมาหลบมปวดมาหลงมันจะไม่เอะมั่งเหรสเช่นมีรอดแล้วกว่ามีเย็นแกมีมืดแล้วกว่ามีสว่างแกชอกหาชอกหาก็เห็นอีกสิว่าคนสำเร็จทุกคนพูดพรยายามนี้จ้ามาสอนมัวเมาเป็นยุคเป็นยุคถึงอย่างใดพระพุทธเจ้า็มาดว่าปลอยโกดอสมคายอสมคายมัดก็ไม่เห็นไม่ใช่ชอหาสมุตลอยปวมาสมิหุ่นาพระพุทธเจ้าอเคสะสาวาของคนส้ายไปไนสกกันก็เป็นทัพอันเดียวกันว่ากัน ผู้จะถือรัติใด้ใดก็ตามก็ต้องได้มาจำน้นต่อคําสอนพระพุทธศาสานาเสียก่อนจึงจะสําเร็จพระสุวรรณวันเช่นพ่อคันาสารีบุตรเป็นต้นโมกขราสารีบุตรสมัยนัย้นดูสนไสนาตมุตได้มาเหลือสายพระพุทธศาสานาไปพ่พระอัจฉรษษิเหลื่อสายพระอัจฉรษษิพระอัจฉรษษิก็เลยสอนสอนอนิจจ์ สิงได้ชิงเลยเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับศูนย์เป็นธรรมดาโอ้ยได้ดวงตาเห็นถ้ำหรอแม่เล่บขาพมุขขล่านัดกันไนว้เนี่ยเชี่ยววาสัน่นขับไปพ่อถ้าอันประเสริฐที่ได้ลรอครับมาวอกันเรื่อพ่อเห็นแล้วกัโอ่มือนี่หน้าตาคือฟองใสแฉะว่าสัน่นมาได้ใส่มันได้ถ้ำหบมมุ่มบอให้กันฟังนนเลยนะเชี่ยวว่าสัน่นโยวไปพ่อพระองค์หนึ่งวะสัน่นพระเทิดรา ท่านท่านอาเกิดใจเหตุท่านท่านอากระดับเหตุกระสังซึ่งด้าย่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเนาไม่ความรับส่วนเป็นธรรมดอน เ, เข้าใจ้ตีความหมายพัดถึงประชวดดับอันแล้วนี่เปร่าเปล่าสนใจนาตบุตรสนใจนาตบุตรก็เลยเพราะมีสาบกอันละเอียดสาบกอันแหลมคมนั่นมีมุขขล่าสารีบุตรอยูอออ่ในมหูห่างลอยมัดขมว์เรากระไรเออคนงูกับไหมาหาเฮาพี่เออสัน ข้นสลัดไปหาพระโคดมมัดซะเพราะฉนั้น เ, เรามัดข้อองเราเยอะมากยอมากอะไได้สาเร็จเป็นชาวบกบังสายบองขว้าเป็นพระราหนะันพระปารนาเป็นพระาวบกบังสายบองขวามาแต่ขังพระเจออ้าอโนมาทัศสีผมพระมคคาซาลิวตนะตำแ น, น่นี้วัดเรียบร้อยวัดสาวบอก อ, องนั้นสร้างบริมามีศาสราเสีสงสัยก็มีมีวัด พระศาสนาของเราพุทธเจ้าของเราแล้วบางครางบางครั้งฟ้าสร้างบารมีมาแต่ข้างพระเจ้าองค์ไหนตลอดถึงคนนั่นคนนี้มาสร้างมาเท่าใดอุบาสกอุบาสิกาคนนั้นสร้างมาเท่าใดเข้ามาเท่ามีมัดในพระศาสนาะเหตุนั้นไม่จนหนุ่มเลยพระพุทธศาสนาะเราจรึงยอมรับนับถือมีกบฟูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงใหญ่ดูมากบฟูงนั้นอยากจหานายคุ้มของฟองกันตัว ไปหาเทวดาเชวาที่ขอนไหวลงไปเสียงดังสะท้านพาให้กบตื่นตกใจกบข้าตัวหนึ่งไหว่หน้ามองมาเห็นขอนไม้คนใหญ่ไม่ต้องพูดร้ายนะมู้ตขงจขั๊บเขาแห้งแล้วอยากให้เป็นกบเรียกง่ายยักบอกนกกระสาเสียลูมากนะ่ะกินมือแล้วโตสองโตฮะนะมู้ห่ออยากเป็นกบเรียกง่ายแม่ น, นบอกเข้าใจบ่ใกล้แก้ขับคล้อยให้สันอยาให้เป็ใกล้แก้รับคลอยมู้ห้อมู้โตของจั๊บเลยหรอ ให้แก่เขาพ่อย์ว่าต้องเราหลายเราพวกเขาพวกคู่นี่ก็ถึงว่าเละแม่ท่นบอกสู้ข้าวสารไม่ได้เดียวเราไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเคี่ยวไปในแปลงอื่นๆถ้าพุทธศาสตรแต่นา้าสุรัีถเข้ามาไรสูเรเรียกมาไรดอกแม่ท่านบอกนี่คุยเคี่ยวไปในแปลงอื่นเลย ของที่ดียองมีประโยชน์แต่พูดรู้จักใช้ทำมาู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้มีท่านเด่น้อยู่ซอยไหนรูวน้ว่าที่นี่ให้เข้าวอร์ยะไรฮะเนี่เข้าขม ertz ข้อวอรได้บเาดนี่เข้ า, า, า, าบุจักขวอมสีวอรได้หอเปล่าเนี่ยฮะาายว่าได้าาก่อว่าได้าาก่อนคือพี่า ย, น า, ยนานางไหนเออคือพี่ยานางไหนเว้ยเตี้ เดีวเยดวใ ก, กล้เงี้ยงเนอะมนก็ว่า่งยับนน่ะมันมันเป็นไรจเป็นจในเรื่องนีมันก็นมมาในขั้งพุทธการก็มีอยู่บางที่ก็เป็นเรื่องกิงบางที่ก็เป็นเรื่องว่ากิงเข้ากับฟังหูใหู ย, ห ย, ยู่เขากับอย่างเงมาจะโดนแล้วาย่านากะอมารุพิสูคือนึงเข้ากนาะละแหอย่วาในสมัยนี่คนทั้งหลาย ศาสนามันโจมตีกันอยุ่ยเลยหน้าหน้าศาสนาสักคนหลักศาสนาเ่ชวงส่ว น, นโจมตีโลดโผน่ยมันศาสนาอืนอนอาน่นส่วนบ่โลดว่าโผลน่ยมันศาสนาพุทธอยู่ตามธรรมดาไม่ได้ออกโจมตีศาสนาอื่นออกโจมตีศาสนาพุทธอยู่มาแต่พันไดแถวไหนแต่พระพุทธเจ้าทุกๆุประองค์ก็มาไม่สั่ น, น, นอันนี้ก็ น, นาจักสีมีผู้ว่าแขนในสัง ก, กัดเป็นได้มันไม่ไร้อ่าน ยางนึงกับเพิ่นจะจะเป็น น, นักันกับอาจเป็นได้มันกับมีหลายอาจอาวันามันมีหลายบางที่หน้าข้างพระพุทธเจ้ามันกับมีอยู่หน้าข้างพระเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเกิดมานี่เข้าเละอึดขนมมาสั่งพวกศาธารณะอื่นบัวไหว่าสั่งเข้าเฮ็ดยังไงที่เอาพระพุทธเจ้าได้ไก็บพราอย่างก็ั่งพวกศาธาณะอื่น ไปเอานา่งกินขีมานั่งกินขี้ถึงคนช่วยแถไปสั่นจางนั่งกินขีที่ห่อเลยหลายก็หาพะนะแสนมาจางนั่งกินขีไปทำลายพระองค์เจ้าสั่นหน้าเขว่างแสนอางต้นเขาขว่างแส น, นะนมากหน้ามาแรกม่าสมุทรพาดังู่เหรอพะคำคำเทกันพคำคจัหนอยหน้างขาทำพาล่องสาตะบ ม้าเดาเองปู่ก็น่านั่นก็การสถาปนาโคลงแล้วแต่สุ้มสิงกับคถาปนาโคลงจะมันสนุกคนทั้งหลากิตายเรื่อยเขามันช่อยหนมาโยโยมาโยมาเนี่ย้าประเสริมาจุดสมาธิสามเดือนเ็นทางอุบายนครับสามเนหน้ามเจ้าแล้วข้านพาไปสถาที่จิตไปด้วยน้องไม่ใชู่่นั่นนั่ พรอง์เจ้าเพิ่มกุลร้อนเพนมไปนะลูกปรังมันกระทัานพาลกมากระทั่งพาออกขัจังหวะทำแค่นั้นเพราะมันมาหอดรู้ไหมว่าพ่อตังท้องตามเดือนตังท้องแค่น้่เาเงนึงขนาดไม่คอล้อเส็บตัตรกันบัตรบัหนึ่งบัดหนึ่งบัตน่งเกบปู๋หนึ่งเก็บหนึงเป็นท่ให้ไอ้กลกโสนหน้าเขาเคีียดโสน ข้อสประมาณนกกเรียน่กเจนสุเอาาห่มปกน่ทังทางนาเจ้นมาเอาองศากับเ่รข้อังเก่าดือนนี้นั่งก็ะแทกอนัอีกก็องกเสียดเอะเพรานั่งถือจ่าเขาได้เขาจาหนา ข้างหนาเ่เด็กเรียนๆเพรองค้มาจาปกกอเพาองเจ้าประเทศก็กำเนิดปะเทศกับแต่นางช่างเถิเลยตรงนั้นค e ุ้มผาหาหงส์ผาหงสาหงสาหส์ผาหงส์ผาห้สางหงสาหงส์หสาหงส์ผาหางส์ผเหงส์ผาหงาหงส์ผาหงส์ผ แล้อันหน้ามันไข่ก็ไปหาให้หมดแล้คือเอาแล้วเกาเศร้ามัาเศร้าเสีเว้ยไม่เล้ยงเลยนั่งกับจักแคห้าปัหน้าเลยหน้าเฮ้ยเป็นพยานจับาะเหนั่งพักก้อนากราขดหน้าสองจับยู้อะไรกระาดฝือหน้าหาก้อนายกราขดองจับยู้อะไน่จักันห้าอนอยไแล้วมันใสแค่คนลเว้ยมันส เอาล้วหอดหอดพระยิ่งพระยิ่งไปเลยนี่ลมากเดินนิ่งๆคอยพลาดเข้ามาคนนู้นคนนั้คมนีองมากับเสือมากัดเสื้อหเบัานั่งนั่งลกถึไม่อะนูนกโคเทฮู้ปุ๊แรงถายจับนอนเอเตะด้เลยเตะได้คู่สมรสเตะได้ เยอมายยกไปเห็นหน้ามาแล่เส the the the ื้อของเก่าอะกำบองหน้าเนาะก็าจะเข้าบัแล้วเรื่องเเข้าบบจ้าน่าไปนะแล้วท่านวดท่านเด็ก็ผนั่นอนเเราพติเจ้าต่างราไมากใส่่นย่งไโจทยม่มากว่าไดขอขันขั้นสอนเราพเจ้าขันลูู่ขั้งท นี่จะพูดตั้ถือเร่งปกือนแม่บอกนี o, ่พตั้ถอพูตั o, ้งถือแต่โตทานี้ถือแต่เป็นขาตงนี่ัง้ไม่ถูไม่ถูกมั่นแ่ต้องคอยเน้นวลาเปกตับขอัยคัที่นีเ้าแต่สมัยนู่นสมันห่ตเรื่องกิน้องแต่เรื่องค้นหาการเงินหน้าีลูเกดเยนๆ่าจะทำงนี้แม นั่นสีสีแต่บ้านใครเมียของชาแกวพักตม่ะเม่ะัสีอะไรก็เคยเดินเมอยสามสิบหกจ้านั่นนั่นข้าเป็นข้เย็ขันบวรัราเสริฐเดนยุรับปเสรเด่นหน้าอมิสตานียข้าเป็นข้าเย็นขันบัวอันตู้โต๊ะก็เรื่องแต่วันาก้ัีย นั่นค่น่าจะแบบนี้วนี่